สังคาทิเศษสิกขาบทที่สภิกษุณีผู้เข้าไปสู่ละแวกหมู่บ้านรูปเดียวต้องอาบัตสามอย่างคือ 1. กํากำลังเดินไปต้องอาบัตทุกกฎ 2. ย่างเท้าก้าวที่หนึ่งเข้าสู่บริเวณรัว้วต้องอาบัตทุนละใจส ย่างเท้าเก้าที่สองต้องอาบัดสังคาทิเศษ